มากันกี่คนสองคนอยากมาฟังในเฟซบุ๊กไม่เคยมา อ, อยู่ที่ไห น, ไนอยู่สทีทคุณมาคนเดียวเลยคนเดียวครับมาจากที่ไหนจากกรุงเทพครับเคยดูทางเฟซบุ๊กป่ะปอนะอเคยดูงังสือท่านนะฮะนวอ่าปู่คุญมีครับ อยด่ดอแล้วก็ามีหนังสือรรนเขาเอาหนันงสื อ, อไปอ่านมาปที่แล้วก็มาการงาน อ, าง อ, อ่าแล้วเป็นยังไง ใช้กับปัญหาแค่ปัญหาได้ก็พยายามปฏิบัตินะครับอืช่วงก่อนนอนอืนั่งสมาธิเดินจงกรมทาเป็นประจําเลยหรือเปล่าก็ทำทุกวันครับอืราะว่าพยายามจะทําช่วงระหว่างวันแต่ว่ามันก็หลงบ่อยครับหบมายถึงใจลอยอ่ ะ, ะปกติใช้อะไรควบคุมใจ ปกติจะเดินจงกรมอะครับแล้วบางทีก็จะฟ้องพุโทโธพุธโทโธะครับพ อ, อใจใจหนีไปก็พุโทโธพุธโทโธให้ให้รู้อ่ะครับเออถ้าไม่หนีถ้าอยู่กับร่างกายก็ไม่ต้องพุโทโธครับคอยใช้ร่างกายเฝ้าดูร่างกายหรือเปล่าก็ตอนเดินนะครับก็ดูร่างกายมันเดินนะครับเแล้วเวลาอื่นเวลาทําอะไรอย่างอื่น ก็<ด>ช่วงกลางวันระหว่างวันมันก็กนจะะหลงบ่อยครับเออบางทีก็มีสติบ้างครับบางทีอพอเผลอไปเผลอไปมันก็พอจะรู้บ้างครับเออแต่ว่าพยายามทําช่วงในรูปแบบช่วงก่อนนอนนะครับอในช่วงกลางวันที่ทํางานถ้าดึงใจไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์มากาเพราะเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายกว่า พยายามดึงใจให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้อย่าให้ไปที่อื่นใจมันชอบไปที่อื่นมันไม่ชอบอยู่ที่ที่นี่เดี๋ยวนี้ชอบไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปที่ใกล้ไปที่ไกลแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันบปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของความสงบ ถ้าเราดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้มันจะสงบถ้ามันไปอดีตไปอนาคตไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะวุ่นวายาถ้าอยู่ปัจจุบันแล้วก็ให้มันรู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดอะไรให้รู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังนั่งกำลังยืนกำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าให้อย่าให้ปรุงแต่งอย่าให้คิดปรุงแต่ง<อ>ให้เป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้ค <ern> ิดใจมีสองส่วนผู้ดูผู้รู้ส่วนหนึ่ง<อ>ผู้คิดอีกส่วนหน<อ>ึ่งตอนนี้ผู้คิดมันเป็นตัวปัญหาเ<อ>พราะมันคิดไม่เป็น<อ>มันคิดแล้วทำให้วุ่นมันไม่ได้คิดแล้วทำให้สงบ เพราะมันหลงหลงไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราครับพออะไรเป็นของเราก็ปล่อยความอยากให้มันดีให้มันอยู่กับเราแต่ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปต้องมีวันเสื่อมต้องมีการเปลี่ยนครับพอมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่พอใจวุ่นวายใจ อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมครับมาเหมือนดีเหมือนเดิมจะอยากม่อยเออยากตลอดเวลานอกจากนั้นยังอยากสิ่งต่างๆอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็เวลาได้มาแล้วมันมีความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวครับแล้วก็ทําให้เราต้องอยากอยู่เรื่อยๆ พอเวลาไม่ได้ไม่มีอะไรให้เราได้เสพได้สัมผัสเราก็รู้สึกอ้ออางว้างเปล่าเปลี่ยว <c oughs> ไม่มีความสุข <c oughs> ต้องมีรูปดูต้องมีเสียงฟังต้องมีกลิ่น <c oughs> ให้ดมมีรสให้ลิ้มแล้วก็ให้มีอะไรมาสัมผัสทางร่างกายที่ถูกใจ <c oughs> อันนี้ เป็นความอยากที่มันอยู่ในใจตลอดเวลามันเกิดตามความคิดเอาคิดถึงรูปก็อยากได้รูปคิดถึงเสียงก็อยากได้เสียง ค, คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะได้ขึ้นมาฉะนั้นเราหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้จะดีกว่าเพราะหยุดแล้วมันก็จะทำให้ความอยากเกิดขึ้นมาไม่ได้พอไม่มีความอยากใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย จะเบาใจก็เหลือแต่ผู้รู้ผู้คิดหยุดคิดก็เหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้ก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงสิ่งนี้เราเห็นด้วยตาหูจมูกเลี้นกายนี่ถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งมันไม่เป็นอะไรหรอกเราไปปรุงแต่ง <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วก็ไปว่ามันดี <c oughs> เห็นว่ามันสุข <c oughs> ก็อยากได้ ถ้าแปลว่ามันทุกข์ก็อยากจะหนีมันเป็นอย่างี้แต่ถ้ามันไม่ไปคิดว่าดีหรือไม่ดีมันก็อยู่กับสิ่งที่สัมผัสรับรู้ได้แล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบง่ายถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วสงบนิ่งแล้วจะมีความสุขจะรู้ว่าไม่มีอะไรดีกว่า ความสุขที่ได้จากความสงบและรู้ว่าความสงบนี้เราสามารถามีได้ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้เงินเราใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆาแต่ถ้าเกิดเงินทองหมดก็ไม่ซื้อไม่ได้ ก็ทำให้เราต้องไปหาเงินหาทองไปทุกไปยากลาบากกับการหาเงินหาทองกันหามาได้ก็เอามาใช้หมดหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่ใจก็เลยไม่มีวันสงบสักทีแต่ถ้าเราหยุดใช้เงินหยุดหาเงินมาหาสติแทนมาฝึกสร้างสติกันทั้งวันอย่าให้ใจคิดให้ใจรู้เฉย แล้วก็มีเวลาว่างก็นั่งมันแทนที่จะไปดูหนังสือพิมพ์ดูออนไลน์ดูอะไรก็ดูลมหายใจดีกว่านั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกระงับความคิดปรุงแต่งให้ให้หมดไปพอมันยุบหมดปับมันก็จะสงบมันจะนิ่งจะสบาย สุกก็ดูไลน์ดูอะไรในเครื่องมือถือดูทีวีดูข่าวดูอะไรสู้ดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้น ไม่ต้องไปบังคับมันมันยาวก็อย่าไปทําให้มันสั้นมันสั้นก็อย่าไปทําให้มันยาวปล่อยมันไปตามธรรมชาติถ้าเราไปไปจัดการกับลมใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะต้องทํางานเราต้องการให้ใจนิ่งเฉยเฉยให้รู้อย่างเดียว mm hmm. ไม่ให้ไปจัดการไม่ให้ไปทําอะไรกับสิ่งต่างๆกับลมหายใจ ถ้าไม่ไปทำอะไรเดียวมันก็เนื่งสงบพอมันสงบแล้วก็สบายเย็นมีความสุขมีความสุขที่เหนียวกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะทิ้งความสุขในรูปแบบอื่นได้ทิ้งสุขในรูปเสียงกลิ่นลดได้ทิ้งความสุขจากลาบยุศสารเสริญได้ ไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมียศไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องให้มีใครมายกย่องสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพเสพความสงบดีกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้แหละคือเป้าหมายของการเจริญสติสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิคือความนิ่งสงบของใจ สติคือการระลึกรู้ไม่คิดปรุงแต่งถ้าเรามีแต่การระลึกรู้ไม่มีการคิดปรุงแต่งเดี๋ยวความคิดปรุงแต่งมันก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะเหลือแต่ผู้รู้รเหลือแต่ความนิ่งเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความเป็นกลางของใจขณะใจนิ่งใจสงบนี้จะปรับจจาการะลมต่างๆครับะ อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์กลัวอารมณ์หลงนี้จะหายไปใจจะไม่มีปฏิกิริยากับอะไรทั้งนั้นถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะรู้สึกเฉยเฉยแต่มันจะเป็นได้เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความเป็นกลางของใจก็จะค่อยๆจางหายไป ก็จะเริ่มไปคิดปรุงแต่งไปรับรู้เรื่องต่างๆก็เอามาคิดพอคิดก็คิดไปด้วยอารมณ์คิดไปด้วยความรักความชังความกลัวความหลงถ้าอยากจะรักษาความเป็นกลางหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนให้มองว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานะครับ เห็นอะไรนักก็บอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะหยุดความนักได้เห็นอะไรที่เราชังเราก็บอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะหยุดความชังได้เห็นความกลัวก็พิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราที่เรากลัวก็กลัวร่างกายของเราจะเป็นอะไรไปเราก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเรา <theater. S 2> ถ้าไปยึดไปติดมันก็จะทำให้เราทุกข์ <theater. S 2> ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยมัน <ällt> มันอะไรจะเกิดกับมันก็ปล่อยมันเกิดไป uh <huh. S 2> ถ้ายอมถ้าไม่ไปยึดติดกับร่างกายความกลัวก็จะหายไป uh <huh. S 2> ถ้ามีความหลงก็เช่นเดียวกัน uh <huh. S 2> เห็นอะไรว่าสุขก็ต้องบอกว่ามันทุกข์ uh <huh. S 2> เห็นอะไรว่าเที่ยงก็ต้องบอกว่ามันไม่เที่ยง เห็นอะไรว่ามันเป็นของเราก็ต้องบอกว่าไม่เป็นของเราตอนนี้เราเห็นร <huh ่างกายเป็นของเราหรือเปล่าแต่เราไม่เคยมีปัญญาบอกมาบอกว่าไม่เป็นเลยนะนั่นแหละเราใช้ปัญญาไม่เป็นเวลาฟังเทศฟังธรรมก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นของเราพอเวลาไม่ฟังก็ลืมพอดูร่างกายทีไรก็เป็นของเราทุกที พอมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ตกใจกลัวเป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาปัญญาเรายังมีกําลังน้อยอไม่คิดไม่คิดอยู่เรื่อยๆไม่คิดอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรต้องบอกไม่ใช่ของเราเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดเวลามันเป็นอะไรเราก็จะนั้นไม่ทุก สังเตดูเยของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราทุกไหมไม่ทุกนะบ้านไม่ใช่ของเราไฟไม่บ้านที่ไม่ใช่เป็นของเรานี่เราทุกไหมไม่รถของเราถูกเขาขโมยรถที่ไม่ใช่เป็นของเราถูกขโมยไปทุกไหมไม่ทุกแต่ถ้าเป็นของเราทุกไหมทุกเพราะเป็นของเราใช่ไหมเทานั้นเองถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราด้วยถ้ามันไม่อยู่กับเรามันจะเป็นของเราได้ยังไง ใจมันไม่ยอมรับความจริงของที่มันไม่ใช่เป็นของเราก็แปลว่าเป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราขึ้นมาก็ทุกข์กักกนทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าบอกไม่มีอะไรเป็นของเราเลยพ่อแม่ปูย่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี่ไม่มีอะไรเป็นของเรา เป็นของชั่วคราวเป็นของเราชั่วคราวแต่เราไม่ยอมคิดอย่างนี้พอได้มาแล้วต้องคิดว่าเป็นของเราตลอดห้ามจากเราไปใครเอาไปไม่ได้มันเลยทุกข์กันที่ทุกข์กันก็ก็รไปหลงไปว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่เป็นของเราสิ่งแรกที่เราได้มาที่เราหลงว่าเป็นของเราก็คือร่างกาย ได้จากพ่อแม่มาเป็นของพ่อแม่เป็นของขวัญแต่ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟทํามาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวพอถึงเวลามันตายไปมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟของต่างๆที่เราหาได้ด้วยร่างกายของเราก็ไม่ได้เป็นของเรา ทักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปรือไม่ชนั้นเขาก็จากเราไปเช่ปู่ย่าตายายนี่จากเราไปก่อนต่อมาก็พ่อแม่เราต่อมาก็ตัวเราสามีเราภรรยาเราลูกเราข่าวกองเงินทองต่างๆที่หามาได้ก็เป็นของคนอื่นไปหมดเวลาที่เราตายไป บางทีเวลายังไม่ตายมันก็หมดไปก่อนก็นีอย่างเงินเนี่ยถ้าไม่หามาเติมอยู่เรื่อยเรื่อยมันหมดที่มันยังมีใช้ก็เพราะยังยังหามาได้อยู่เดี๋ยววันหนึ่งก็หาไม่ได้ก็จะไม่มีใช้แนละ้วเนี่ยเรากำลังไปหาความสุขจากของที่ไม่ใช่เป็นของเรามันเลยทุกเวลาเจ้าของก็ามาเอาคืนไป เวลามันไปจากเราก็สแสดงว่ามันถูกเจ้าของมาเอากลืนไปของของเราเราไม่หากันของของเราที่ให้ความสุขกับเราก็มีอยู่ก็คือความสงบนี่อันนี้แหละเป็นของของเราอันนี้แหละที่เรียกว่าไม่เป็นของถาวรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเรา มีสติเราก็ทัดทางให้มีความสงบได้แล้วเราก็สามารถรักษาความสงบได้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มาทำลายความสงบที่เราหาได้ด้วยสตินอกจากสติหายไปเท่านั้นถึงจะทำให้ความสงบหายไปถ้าอย่างอื่นหายไปมันไม่สามารถมาทำให้ความสงบหายไปร่างกายหายไปมันก็ยังสงบได้ ก้าวของเงินทองหายไปมันก็ยังสงบได้เนี่ยความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นความสุขเป็นของถาวรเป็นของเราแต่เราไม่เอากันเราชอบไปเอาของคนอื่นเอาของที่ไม่ใช่ของเราแล้วก็มาหลงคิดว่าเป็นของเราถ้าจะเอาของที่ไม่ใช่ของเรามาก็ต้องคิดว่าไม่ใช่ของเราสิ มันจะได้มันจะได้ไม่หลงร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราของพ่อแม่พ่อแม่ให้เรามาพ่อแม่ก็ยืมมาจากขอมาจากธรรมชาติอีกทีหนึ่งขอมาจากดินน้ําลมไฟเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องคืนดินน้ําลมไฟไปเงินทองก็เป็นดินน้ําลมไฟเงินนี้มันมามันก็เป็นโลหะดีๆนี่เอง ทองก็เป็นโลหะเป็นดินเป็นธาตุดินธรรมบัตรก็เป็นธาตุดินแต่เราก็ไปเรียกว่าเงินไม่กว่าทองกันแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนดินน้ำลมไฟอย่างอื่นได้มีเงินมีทองก็เอาไปแลกเปลี่ยนอาหารอาหารก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปเปลี่ยนเครื่องเดิมเครื่องเดิมเครื่องน้ำ เราก็เล่นอยู่กับดินน้ำลมไฟนี่แหละไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วก็สุขทุกข์ไปกับดินน้ำลมไฟพอได้มาเป็นของเราก็สุขพอเสียไปก็ทุกข์แล้วในที่สุดก็ต้องทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเสียไปหมดร่างกายก็ต้องเสียไปทรัพย์สมบัติเ้าของเงินทองบุคคลต่างๆที่เราหามาได้ด้วยร่างกายนี้ก็ต้องหมดไป กลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเป็นภรรยาเดี๋ยวเราตายไปเขาก็ไปมีสามีใหม่กลายเป็นของคนอื่นไปฉะั้นถ้าเราใช้ปัญญาเราจะรักษาใจของเราไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงได้แต่เราก็จะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับ เงินทองก็ดีข้าวของก็ดีกับคนที่เรารักก็ดีกับร่างกายของเราก็ดีเราจะมีปัญญาคอยรักษาว่าเอ้ยมันไม่ใช่ของเราเว้ยถึงเวลามันไปก็ต้องไปถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไปห้ามมันก็จะทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนก็จะทุกข์ ถ้าไปอยากให้มันเป็นของเรามันก็จะทุกข์เวลามันไม่ได้เป็นของเราแล้วนี่คือวิธีที่จะทําให้เราอยู่กับความสุขที่เป็นของเราได้เราต้องปล่อยทุกอย่างเราต้องไม่ยึดไม่ติดกับของต่างๆคนที่มีความสุขตั้งใจแล้วเขาไม่ยึดไม่ติดอะไรพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ ท่านไม่ยึดติดกับอะไรแต่บางทีท่านก็ยังมีอยู่เพราะท่านยังมีร่างกายมีร่างกายก็ยังต้องใช้ต้องหาอาหารให้ร่างกายรับประทานีอยู่อาศัยหาอะไรให้ร่างกายแต่ท่านก็ไม่ยึดไม่ติดกับของต่างๆที่หามาเพื่อดูแลร่างกายและร่างกายท่านก็ไม่ยึดไม่ติดเหมือนกัน เวลามันจะหมดไปเมื่อไหร่ท่านก็พร้อมให้มันหมดได้จะรู้สึกเฉยๆเวลาร่างกายจะตายก็ให้มันตายไดเ้เวลาวันไหนไม่มีข้าวกินก็อดได้อยู่ที่ไหนก็ได้พระเจ้านี้ไม่มีที่อยู่ประจำ ตามประวัตินี้ท่านก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวอยู่ที่เมือง น, นี้แล้วเดี๋ยวก็ไปโปรดญาติโยมที่เมืองโน้นไปก็แล้วแต่มีที่ไหนมีอะไรอยู่ใครก็จัดที่อยู่ให้ก็อยู่ไปไม่มีก็อยู่ตามโคนไม้ไปแต่ท่านมีความสุขสุขทางใจใจของท่านนี้ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมีสุขอยู่ตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเข้าหากันคือความสุขทางใจเราควรจะถอนออกจากความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเล่นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสทางราบยศสรรเสริญอย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดปีดับ มีสุขมีทุกข์บางทีมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามีเวลาเจริญก็ให้ความสุขเวลาเสื่อมก็ให้ความทุกข์แต่ความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันมันคงเส้นคงวามันจะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้ดีกว่าที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้รู้ วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่ชนะความสุขทั้งปวงเรียกว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงการที่เราจะมีลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงได้เราต้องมีความยินดีในลถแห่งธรรมเพราะการยินดีในลถแห่งธรรมนี้ชนะการยินดีทั้งปวง ยินดีกับราบยศสรรเสริญสู้ยินดีกับลดแห่งธรรมไม่ได้เพราะลาบยศสรรเสริญนี้มันเป็นทุกข์แต่ลดแห่งธรรมนี่ไม่เป็นทุกข์เป็นสุขอย่างเดียวเเราต้องเห็นคุณค่าของลถแห่งธรรมแล้วเราก็จะเกิดความยินดีในลถแห่งธรรมขึ้นมาเหมือนกับเราตอนนี้เห็นคุณค่าก็จากราบยศสรรเสริญ เราก็เลยยินดีกับราภยศสรรเสริญเรายังไม่เห็นโทษของราภยศสรรเสริญถ้าเราเห็นโทษของราภยศสรรเสริญเมื่อไหร่เราจะไม่ยินดีกับมันทันทีถ้าเราเห็นว่ามันทําให้เราทุกเวลามันหมดไปเนี่ยครับเวลาแฟนจากไปนี่สุขนี่ทุกข์ถ้ามีแฟนเวลาลูกจากไปรู้สึกยังไง เวลาเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปเป็นยังไงเวลาเสียตำแหน่งไปเป็นยังไงทำงานเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นอะไรอ ย, อ, ยอยู่ดอยู่ดีวันดีก็หมดไปเขาถูกเขาปลดออกไม่ว่าบริษัทเจ๊งไปมันดีไหมลาบยศ ส, สรรเสง เราไม่เห็นโทษของมันอะไร ย, ยังยินดีอยู่กับราบยศสารเสริญอยู่ยังไม่เห็นโทษของรูปเสียงเกิน่นรดเพราะชื่อมันบอกว่าการมคุณการมคุณห้ากรรมจรงต้องเปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็นการมโทษห้าโทษของการมไม่ใช่คุณของการมการมเธอรูปเสียงเกิ่นรดนี้มันไม่ได้เป็นคุณมันเป็นโทษโทษเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติด เสร็จก็ติดไหมล่ะรูปเสียงกินมันเนี่ยดูละครแล้วติดไหมกินกาแฟแล้วติดไหมไปเที่ยวแล้วติดไหมเวลาไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินไม่ได้ดูเป็นยังไงงดหงิดไหมงดหงิ ด, งดนำคาญใจอันนี้แหละเป็นโทษแต่เราไม่เห็นมันเป็นรเราเองเพ่ามันเป็นคุณเราเลยไปเรียกมันกลามาคุณ ควาจริงเหมือนกันมาโทษราบยชน์สารเสรันสุขก็เหมือนกันมันเป็นทุกข์แต่เราไปมองด้านเดียวไปมองด้านที่มันเป็นสุขเวลาเจอเริเน่ยมันสุขใช่ไหมเวลาได้เงินมาเงินเดิอนขึ้นเงินเดือนออกนี่โอยวันนั้นดีใจกันทุกคนเวลาถูกไล่ออกจากงานไม่มีงานทำวันนั้นก็เงินเดือนก็ไม่มีมาแล้วเนีย ตำหนงก็หมดไปเยอก็หมดไปใคยเป็นนายพลนนายหมื่นพอนายพันพอพอถูกปวดปักมันก็หมดไปฐานะเสินก็เหมือนกันไปทำอะไรผิดพลาดหน่อยเดี๋ยวก็โดนก็ดา่านี่คือควา ม, วามทุกข์ที่พวกเราเดินเข้าหากันอย่างไม่รู้สึกตัว พราเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เห็นว่ามันเป็นโทษเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขเราเลยมีความยินดีในในรูปเสียงกลิ่นรสในลาบยศสารเสริญแล้วเราก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับมันในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเออเป็น ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือรถแห่งธรรมก็กลับไปเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะการที่จะได้รถแห่งธรรมนี่แม้มันลาบากไห ม, มจะมารักษาศีลจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้จะไปดูละครก็ดูไม่ได้จะไปร้องนําทําเพลงก็ไปไม่ได้ไปงานเลี้ยงต่างๆก็ไปไม่ได้มันก็เลยแทนที่เห็นว่าเป็นสุขเหมือนกับเลยเห็นว่าเป็นทุกข์กันเออ ไม่มีใครอยากจะรักษาสีนแปดกันไม่มีใครอยากจ ะ, จะเจริญสติกันไม่อยากไม่มีใครอยากจะนั่งสมาธิกันกลับไปทำอย่างอื่นแทนตาจริงถ้าเอาเวลาทั้งหมดมานั่งสมาธินี่มันดี่าตายเลยดูพระพุทธรูปท่านนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนนะท่านสอนเราเนี่ยแต่เราไม่กลับ ไม่เห็นคำสอนของท่า น, เ, นเรามานั่งสมาธิกันดีกว่าเนี่ยเวลาเรากราบพระเราเคยคิดว่าทำไมท่านนั่งเฉยมท่านนั่ ง, งเฉยเฉยเพราะการนั่งเฉยเฉยนี่เป็นสุขอย่างยิ่งการนั่งแล้วหยุดคิดได้นี่มีความสุขอย่างยิ่งแต่เรานั่งแล้วมันทุกข์เพราะมันมันไม่หยุดความคิดกันคิดแล้วก็อยากกันพออยากกันก็อึดอัดนั่งเฉยเฉยไม่ได้ ก็เลยไม่ยอมนั่งกันกลับเห็นการการนั่งเฉยๆเป็นทุกข์ไปเป็นโทษไปกลับเห็นการไปเต้นร่างเต้นกาเป็นคุณเป็นประโยชน์ขึ้นมาเต้นร่างเต้นกาแล้วเหนื่อยไหมนี่แหละความหลงมันทําให้เราเห็นกลับตาลปัดเห็นกรุงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขะ อันนี้เรามีคนที่เห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์เห็นว่าสุขเป็นสุขแล้วก็มาบอกเราว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่มีวันที่จะพ้นจากกองทุกข์ได้เพราะเรายังเห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองสุขอยู่เลยยังเห็นรามยศสรรเสริญยังเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นความสุขอย่ พ่าเราเห็นด้านเดียวเราชอบไปเห็นด้านที่มันจเจริญใครได้ยศนี้โอ้ยเห็นเขามีความสุขอิจฉาไหมเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เราไม่ไปมองเวลาที่เขาตกลงมาเวลามันเสื่อมไปเวลามันหมดไปมันทุกข์ไหมคนที่ไม่มียศนี้เวลามันมันก็ไม่มีอะไรจะต้องเสื่อมถ้าไม่ได้เป็นในพนในพัน ก็ไม่มีวันเสริมจากการเป็นนายพลนายพันก็ไม่มีวันทุกข์กับการที่จะเสริมจากการเป็นนายพลนายพันถ้าไม่มีเงินก็จะไม่ทุกข์กับการเสียเงินเสียทองไปพอมีแล้วมันต้องเสียวันไดวันหนึ่งมันต้องหมดต้องจากกั น, นเวลาตายเนี่ยมันทุกข์มากเพราะต้องเสียลาบยศสันทรเสริญ เสียสิ่งต่างๆที่เราไม่อยากเสียกันไปเราต้องพยายามมองให้เห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆอย่าไปมองแต่ความเจริญถ้ามองเห็นความเจริญมันก็จะหลงจะคิดว่ามันสุขแต่ถ้าเห็นความเสื่อมปั้นมันจะรุมันก็จะหายหลงมันจะเห็นอ๋อนี่เหรอคือความทุกข์เป็นอย่างนี้เองทุกตอนที่มันเสื่อมทุกตอนที่มันหมด เราควรจะมาพิจารณาความเสื่อมอยู่เรื่อยๆอย่าไปพิจารณาความเจริญกันแต่มาวัดก็ยังมาขอพรจากพระขอให้เจริญกันเนี่ยนะพระก็เลยต้องออะไรต้องตามใจเอาอายุวันโนสุขังพลังขอให้เจริญด้วยอายุวันณาสุขพะพละก็เป็นคําพูดแต่นั้นแนหะมันไม่มีความเป็นจริงอยู่เลยแต่ญาติโยมก็สาธุสาธุกัน เราจะเรียด้วยอายุวันนสุขะพระกันหรือเปล่ามันก็เหมือนเดิมพระจะสวดอายุวัตจะอายุวันนสุขังพลังหรือไม่มันก็เหมือนเดิมะะอ่ะอาาอ ม, ม, ม, อ ม, มันจะเปลี่ยนก็อยู่ที่การประพฤติของเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับราบยศสารเส ร, ริญไม่ยุ่งกับรูปเสียงกิเลสเราก็จ ะ, จะเจรรนด้วยอายุวันณสุขพะพละถ้าเราอยู่กับความสงบเนี่ยเราก็จ ะ, จะเจริญอายุ คนที่มีความสงบนี้ใจจะไม่เครียดสุขภาพร่างกายจะดีกว่าคนที่เครียดดูหลวงปู่หลวงตาแต่ละองค์ท่านเกือบร้อยหรือเกินร้อยพวกเราที่อยู่กับราบยศสารเสริญนี่บางทีห้าสิบก็ไปแล้วหัวใจวายความดันเครียดเเครียดกับราบยศสารเสริญ กลัวมันจะหมดกลัวจะหายมีอะไรก็รักขวงกินไม่ได้นอนไม่หลบหลับไม่ตกกังวลไปกับเขาไปหมดอายุก็เลยสั้นแทนที่จะเจริญด้วยอายุวันโนสุขขังพลัง<ม>ก็เลยไม่เจริญ<ม>นี่ก็คือความจริงที่พวกเราไม่เห็นกัน<ม>ก็เลยต้องมาอธิบายให้เห็น หเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าหากองทุกข์กันว่าเราไปยินดีในรถที่สู้รถแห่งธรรมไม่ได้รถแห่งธรรมเรากลับไม่ยินดีรถของความสงบเพราะเรานั่งเฉยๆหยุดความคิดไม่ได้พอนั่งเฉยๆใจคิดปั๊บก็เกิดอาการอึดอัดตึงเครียดขึ้นมาเลยกลับเห็นเป็นโทษไปเห็นรถแห่งธรรมเป็นโทษ แทนที่จะเห็นรถแห่งธรรมเป็นสุขกับไปเห็นว่าเป็นโทษแล้วก็ไปเห็นรถที่เป็นโทษว่าเป็นเป็นสุขกันเหมือนเห็นยาเสพติดว่ามันดีดนั้นเราต้องพยายามมองให้เห็นทุกอย่างที่เรากําลังเสพอยู่นี่ว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นเหมือนยาเสพติดเราต้องมาเลิกมันให้ได้ วิที่จะเลิกก็ต้องใช้สติสมาธิใช้ปัญญานี้ใช้ศีลศีลก็ต้องศีลแปดขึ้นไปอันต้นก็ศีลห้าก่อนก็ได้รักษาศีลห้าให้ได้แล้วต่อไปก็รักษาศีลแปดศีลห้าก็จะป้องกันไม่ให้เราไปตกไปในอบายศีแลแปดก็จะทำให้เรามีเวลามาทำใจให้สงบ ทมใ้เราเลิกเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเลิกเสพลสาบยศสารเสรินได้แล้วพอเรามาปฏิบัติเจริญสติเราก็จะทำใจให้สงบได้ถ้าเราไม่ต้องหาราบยศสารเสรินเราก็จะมีเวลามาเจริญสติได้มากขึ้นไม่ต้องไปทำงานถ้าเราเลิกใช้เงิน เราก็เลอกหาเงินได้หรือถ้าใช้ก็ใช้เพียงแต่ส่วนน้อยใช้กับส่วนสิ่งที่จำเป็น<ม>ก็คือปัจจัยสี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำงานทุกวันอาทิตย์นึงทำวันเดียวก็พอหรือทำปีหนึ่งแล้วก็หยุดใช้ไปอยู่เฉยๆได้เป็นปีเอาเวลานั้นมาสร้างสติสร้างความสงบ พอมีเซลล์ความสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินไปบวชได้ไปอยู่วัดได้มีคนเข้าจะหาเงินให้เราเองอเป็นพระนี่ไม่ต้องไปหาเงินมีญาติโยมไม่หาให้หาแล้วก็มาให้หาข้าวมาให้กินหาอะไรให้ทุกอย่างของเป็นสุขสบายกับไม่เอากันชอบหาเอง ก็เลยไม่มีเวลามาหาธรรมไม่มีเวลามาสร้างสติกันก็ต้องมัวแต่ไปหาเงินหาอาหารหาอะไรต่างๆใจก็เลยไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็เลยต้องไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นนสดจากลาบยศสารเสริญแล้วก็เลยไปติดกับเวลาลาบยศสารเสริญเสื่อมไปก็ทุกข์กันเนี่ยเรากําลังติดกับอยู่ ด้นออกจากกับนี้ยากต้องพยายามจริงๆต้องอดทนต้องทำตามที่พระเจ้าจสอนให้ทำตอนนี้ก็พยายามฝึกนั่งสมาธิไปให้ได้ให้มันมีความสงบให้เกิดขึ้นมาถ้ามันเกิดความสงบขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่มันจะมีพลังมันจะมีพลังที่จะตัด ลาบยศสละเสริญตัดความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายไปได้แล้วมันจะทำให้เรามีเวลาสร้างความสงบได้มากขึ้นเราต้องการความสงบเพียงชิ้นเล็กๆ เ, เป็นตัวอย่างเป็นตัวมาลอกใจเหล่านี้ท่นานเองพยายามนั่งสมาธิให้มากๆเท่าที่เราจะมีเวลาทำได้พยายามเจริญสติให้มากๆควบคุมความคิดไว้อย่าให้มันคิดเวลานั่งแล้วมันสงบ ถ้ามันสงบเพียงหนเดียวมันจะติดใจมันจะมีกําลังตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ตัดความสุขจากลาบยศสารเสริญได้มันก็จะออกหยุดทํางานได้ไปบวชได้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าปฏิบัติได้เต็มที่เดี๋ยวไม่นานมันก็สงบอย่างเต็มที่ตลอดเวลา พขา จ, จะรับประกันเลยว่าถ้ามนปฏิบัติเจ็ดวันก็ได้บางคนถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีจะได้พบกับความสงบตลอดเวลาถ้าวรนจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปจะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดต้องปฏิบัติเต็มเต็มรูปแบบ เต็มร้อยต้องปฏิบัติแบบนักบวชตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนันกบวชไม่ทําอะไรเลยมีแต่เจริญสติสมาธิปัญญานี่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ายังไม่มีสติก็เจริญสติก่อนพอมีสติแล้วก็ไปเจริญสมาธิต่อพอมีสมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาต่อพอได้ครบสติสมาธิปัญญา ก็จะได้ความสงบที่เต็มร้อยไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีความอยากอีกต่อไปไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเกิดจากการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันฟังนั้นเราจะได้เห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แนะพอเรานํามาไปปฏิบัติเราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรที่ชนะรถทั้งปวง<ม>พอได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวก็ติดใจเหมืนไปชิมของแชลชวนชิมเนี่ยก็<ม>ไปชิมล้านไหนแล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังพอเราไปลองชิมครั้งนึงก็ติดใจกลับไปกินอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ไกลขนาดไหนก็ถอดไปได้ เรืกินนี้เราไปได้หมดอยู่ใกลอยู่ไกลไปได้หมดงั้นตอนนี้เรามาเชลวชวนชิมก่อนตอนนี้พระพุทธเจ้ามาเชลวชวนชิมเ <c oughs> ชิญพวกเรามาชิมรสแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวง น, <c oughs> นี่เราต้องไปชิมแล้วพระพุทธเจ้าบอกวิธีชิมทำยังไงวิธีชิมก็อย่างที่คนพยายามทำอยู่นี่พยายามฝึกสติ คอยควบคุ้นใจไม่ให้ลอยไปให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้รู้ก็ากำลังทำอะไรไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมีเวลาก็นั่งสมาธิวันหนึ่งวันไหนถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วเจ็ดดวงเนี่ยคนจะติดใจเลยทีนี้ก็จะไม่อยากจะได้อะไรแล้วอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงอย่างเดียว ก็จะเกิดความยินดีในรถแห่งธรรมขึ้นมาแล้วก็จะพาให้ไปสู่การได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงต่อไปงนั้นถ้ายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมก็ต้องพยายามศึกษาไปเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าแล้วทำให้เราอยากจะปฏิบัติพอเราอยากปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติ ได้ปฏิบัติเดี๋ยวก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งนี่คือขั้นตอนของการเข้าหาธรรมเข้าหาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเข้าหาความสุขที่ท้าวมที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องหมดไป แต่ความสุขจากลถแห่งธรรมนี้จะไม่มีวันหมดก็ขอให้พยายามศึกษาและเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายิ่งศึกษาก็จะเชื่อเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนนี้เป็นเหตุเป็นพกที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องนําไปพิสูจน์เป็นคําสอนที่ท้าทายต่อการพิสูจน์ ถ้าเรารับการท้าทายเอาไปพิสูจน์เราก็จะได้รู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกอถ้าเราไม่เอาไปเราก็ยังสงสัยอยู่เนี่ยมันจริงหรือไม่จริงทําไมคนนั้นเขาว่าจริงทําไมเรายังไม่เห็นเราก็ต้องลองดูภาษาลงทุกรูปนี้ท่านมารับรองว่าเป็นของจริงคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริง ถ้าเราอยากจะเห็นเหมือนกับภาษาโลกเห็นเราก็ต้องไปพิสูจน์ก mm ันเดีวพอพิสูจน์เราก็จะเห็นจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดี mm hmm. ก็จะว่าพอสมควรแก่เวลาเราจะอนุโมทนาให้พอยะถาวาริวหาปุราปริโพเรนติสาคะลัง เอวเมวะอิโตตินังเปตาังอุปกาปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามาณิโชติระโสยทัสสะพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินัสตุ มาเตผวัตวันตารายสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนสีลิสนิจังวุทธาปัจจายจิโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันูสุขังภาลางังใครอยากได้หนังสือซีดีก็มาหยิบได้นะ ไ, ได้ไ ม, ไม่ได้หรอกตัว <c oughs> เองไม่พังคำไว้สิเอ่อกลัวเขาไม่อ่านแต <c oughs> ่ถ้าเขาขอเขาขอบอกให้เอาไปให้เขาก็าได้อยู่แต่ถ้าเอาไปโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยากได้หรือเปล่ากลัวเขาจะไม่เอา <c oughs> ได้แบบได้เข้ามาเอาเองเออถ้าเขาอยากได้แล้วเข้ามาเองดีกว่าจะได้ไม่เสียของ <c oughs> <ะ>ไม่หวงหรอกแต่กลัวจะเสีย <c oughs> เสียของอันนี้ เป็บุคมาเท่าไหร่วันนี้เป็นสาอกสิบค่ะกบเต็มที่เลยสามสิบสี่สามสโทนี่เข้ามาปะชาลันก็ไม่ได้เข้ามาเป็นยังไงมีอะไรจะถามไหมอ่าสาิบสี่โทนี่เข้ามาปะชาลยนกไม่ด้เข้ามาเป็นยังไงมีอะไจะถามไหมอ่า ออก็พยายามปฏิบัติได้มากๆ้างผลอยู่ที่การปฏิบัติผลเป็นผลการปฏิบัติเป็นเหตุอความอยากไม่ได้เป็นเหตุอยากได้ผลอยากประจนวันตายก็ไม่ได้ผลความอยากเป็นเหตุของการปฏิบัติพออยากก็ต้องปฏิบัติน พอปฏิบัติก็จะได้ผลถ้าไม่อยากได้ผลก็ไม่ปฏิบัติเชถ้าไม่อยากได้ผลทางธรรมก็ก็ไม่มาวัดกันก็ไปเที่ยวกันมีอะไรต่อไหมทางนี้คำถามจาก Facebook ลฟ์คำถามจากคุณโซเฟีย ขอคำอธิบายการเดินจงกรมแบบพุทโธคือการเดินไปแล้วท่องพุทโธในใจหรือเปล่าคะเราต้องรู้การเดินของเท้าด้วยหรือเปล่าคะ<อ>และเราเดินจงกรมเพื่ออะไรคะนั่งสมาธิเจริญสติอย่างเดียวไม่พอหรอคะนั่งก็ได้แต่นั่งนานๆมันเมื่อ ย, อยาทาไงเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินก็เดินก็ไปแล้วก็เราก็เจริญสติต่อไป ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็พุโทโธต่อไปเดินไปก็พุโทโธไปแต่ก็ต้องดูว่าเรากำลังเดินอยู่กำลังจะไปเหยียบอะไรหรือเปล่าไม่ใช่อยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวไปเจองูเข้าก็ไปเหยียบงูเข้า mm hmm. ก็ต้องดูทั้งเท้าดูทั้งพุโทโธไปด้วยหรือจะดูเท้าอย่างเดียวก็ได้ถ้าเดินถ้าไม่ใช้พุโทโธถ้าใจไม่ไปคิดอะไรก็ดูแต่เท้าอย่างเดียวก็ได้คาถามจากคุณอรารยา จัดของใส่บาตรเกือบทุกเช้าหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิแล้วแต่ให้ลูกสาวใส่บาตรแทนเพราะต้องเตรียมอาหารเช้าแบบนี้จะจัดเข้าข่ายทานศีลภาวนาไหมเจ้าคะแล้ว ใ, ใส่บาตรแล้วทาไงต่อรักษาศีลหรเ่านั่งนั่งสมาธิได้ให้ลูกสาวใส่บาตรแทนได้ได้คำถามจากคุณวิไลพระสั่งโยม ทำไข่ลวกถวายวันละสองฟองอาบัตใหม่เจ้าคะคืออาหารที่พระจะฉันได้นี้ต้องเป็นอาหารที่สุกเป็นที่อาหารที่ยังสุกๆดิดๆพวกเนื้อสัตว์พวกไข่นี้ห้ามไม่ให้ฉันเพรสมัยก่อนก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นเป็นภัยต่อสุขภาพอาหารสุกๆดิบๆมันอาจจะมีเชื้อโรคกินเข้าไปแล้วก็ไม่สบายกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า ถ้าเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นไข่พวกนี้ต้องให้มันสุกเต็มที่ไข่ก็ต้องเป็นไข่ต้มไม่ใช่ไข่ลวกถ้ายังเป็นยวงอยู่นี่ยังยังไม่สุกเต็มที่ต้องให้มันแห้งมันแข็งไปเลยแล้วพระก็สั่งไม่ได้พระนี่เป็นผู้ขอไม่ใช่เป็นผู้สั่งวันี้เป็นผู้รับของจากผู้ให้เวลาไปบิณฑบาตไม่เขียนป้ายแปะว่านี่ วันนี้ขอไข่เจียวอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของโยมแต่ก็มีวิธีถ้าพระฉลาดก็พูดได้ยกย่องสรรเสริญไข่ลวกมันดีอย่าง่เีเดี๋ยวฟังบ่อยๆเขาก็รู้เองก็อยากจะกิดไข่ลวกแต่อย่าไปสั่งสั่งไม่ได้แล้วก็พระสมัยนี้ไม่รู้ไม่รู้พระวินัยกัน ไม่รู้ว่าของดิบของสุกๆุดิบดิบนี้ฉันไม่ได้หรือของที่มีสุราปนอยู่เช่นข้าวอะไรข้าเล็กข้าวเลยนะก้<ช> า, าหมากอะไรพวกนี้มันมีสุราก็ฉันไม่ได้หลวงปู่มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านบินธบากระชาวเขาแล้วเขาก็ตำต า, ตาน้ำพริกหรือตำอะไรมามรปลาละแต่นั้นเป็นปลาละดิบเองท่านก็ฉันไม่ได้ มาฮะก็ให้ปลาปลามปลาดิบมาให้ก็วันนั้นก็เลยกินฉันแต่ข้าวเปล่ากับผักไปแต่จิ้มไม่ได้ปลารามันเป็นปลาร้าดิบเย็นอาหารที่จะถา่ายพระถ้าเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นไข่นี่ต้องสุกเย็นเนื้อก็ต้องแห้งไม่มีเลือดซิบซิปอย่างงี้ยให้มันแห้งเลยคำถามจากคุณมาลี การกระทเช่นไรทำให้เกิดผลเป็นกรรมชนิดที่เรียกว่ากรรมมาตัดรอนกรรมแบบนี้ทำให้ตายก่อนหมดอายุไขใช่ไหมเจ้าคะก็ไปทำบาปเดี๋ยวนี้ก็ถูกเขาจับไปลงโทษประหารชีวิตได้นะใช่ไหมถ้าไปฆ่าใครเขาเนี่เดี๋ยวตำรวจจับพวกมีสารตัดสินปหารชีวิตไปเนี่ยพอไปฆ่ากันตายก็ทํากรรมตัดรอ น, นถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะอยู่ไปจนถึงอายุไข ข, ของเรา แต่ถ้าเราไปทำบากรร้ายแรงเป็นโทษนีหรือถ้าเราเมาแล้วขับอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมอุบัติเหตุช่วงปีใหม่นี่ตายกันไปเท่าไหร่การ น, นี้ก็เรียกกรรมตัดรอนการดื่มสุราการทำบาปนี่เป็นการตัดรอนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามยงยงฟังพระอาจารย์และฝึกซํา สติสมาธิสม่ำเสมอตามพระอาจารย์สอนระยะหลังๆเวลาอยู่คนเดียวไม่ครุกคลีจิตจะระลึกถึงความสงบเองบ้างระลึกถึงความตายเองบ้างตายรักบ้างโดยไม่ต้องดึงให้คิดอย่างอื่นและที่จิตคิดขึ้นมาได้เองเป็นความเคยชินที่เราพิจารณาบ่อยๆจนเป็นนิสัยต่อไปจะฝังเข้าไปในใจ ใช่แบบที่เป็นอยู่ไหมคะและ้วควรทําอย่างไรต่อถูกต้องก็พยายามเจริญให้มากขึ้นเจริญให้บ่อยขึ้นทุกครั้งที่เราเลิกถึงความสงบได้ก็พยายามเจริญให้มากทุกครั้งที่เราเลิกถึงตายรักได้ก็พยายามพิจารณาให้มากขึ้นไปให้มันต่อไปให้มันอยู่กับเราทุกเวลาเลยมองเห็นอะไรก็เป็นตายรักไปหมดมองเห็นอะไรก็ไม่เอาสู้ความสงบไม่ได้อันนี้ คำถามจากคุณพัชรามีเหตุการณ์มากมายในสังคมไทยมีการอมชอมอยู่ตลอดเวลาโดยมีคำสอนศาสนาพุทธเป็นพื้นฐานเช่นอาจารย์ทำร้ายนักเรียนการทุจริตคอร์รัปชันหรือการลวนลามทางเพศปัญหาจราจรเช่นรถย้อนสอนและอีกมากมายหากเรายึดคำว่าปล่อยวางและให้อภัยมันไม่เป็นการสนับสนุนหรือปล่อยให้คนทำผิดต่อหรือคะ มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ถ้าทำแล้วทำให้เขาเลิก ก, ก็ได้ถ้าทำแล้วสนับสนุนให้เขาทำต่อก็ไม่ควรทำแล้วแต่กรณีถ้าเขาสารภาพแล้วเขาว่าจะไม่ทำอีกต่อไปเราก็ลดโทษหย่อนโทษให้เขาไปคำถามจากคุณสีวิมล เหตุใดลูกถึงมีพี่น้องและญาติมิตรถึงไม่ช่วยลูกบ้างเวลาลําบากหาคนที่พึ่งได้สักคนไม่มีเลยลูกช่วยตัวเองช่วยเหลือพี่น้องมาตลอดด้วยเหตุนี้ลูกอยากขอแนะนําจากท่านค่ะลูกควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็เราไปเจอคนที่เขาไม่ชอบช่วยเราถ้าเขาไม่ช่วยเราเราก็อย่าไปหวังให้เขาช่วยเราเราช่วยตัวเราเองดีกว่า พระพุทธเจาบอกไม่มีอะไรจะดีเท่ากับตนเป็นที่พึ่งของตนฉะนั้นถ้าเราพึ่งตัวเราเองได้เราก็จะไม่กังวลเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่มีใครมาให้เราพึ่งคำถามทาง y o u t u b e จากคุณศิริมาคำถามข้อหนึ่งกรณีถือศีลแปดตอนตักอาหารเวลาเราตักอาหารที่น่าทานที่ชอบควรจะพิจารณาตอนตักด้วยไหมคะ แล้วควรจับพิจารณาอย่างไรถ้ามันชอบมื่อไหร่ก็ต้องพิจารณาให้มันไม่ชอบเมื่อนั้นอ่ะพิจารณาให้มันกลายเป็นอุจจาระไปะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอุจจาระไม่ใช่เหรออาหารที่เรากินอ่ะเอ่อใช่ไหมพอคิดถึงอุจจาระขึ้นมามันก็ไม่ชอบแล้วล่ะมีใครชอบอุจจาระบ้างไงอุจจาระมันมาจากไหนอ่ะมันก็มาจากอาหารที่เราชอบไม่ใช่เอ่าก็คิด คิดตอนต้นแล้วก็คิดถึงตอนปลายเราชอบคิดแต่ด้านเดียวคิดตอนต้นแต่ไม่คิดถึงตอนปลายมันก็เลยหลงกันถ้าคิดถึงตอนปลายมันก็จะไม่หลงมันก็จะไม่ชอบมันก็จะกินแบบเฉยๆกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินไม่ได้อยู่เพื่อกินคาถามข้อที่สค่ะใจของเราที่มันคิดไม่ดีเราสามารถฝึกมันได้ใช่ไหมคะ เวามันคิดไม่ดีต้องคอยเตือนมันว่าบาปไม่ดีเพื่อที่จะให้มันหยุดคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะก็เตือนได้ถ้ามันหยุดถ้ามันหยุดก็ได้ก็ดีถ้าไม่หยุดก็ต้องใช้พุทโธหยุดแทนใช้ใช้สติบางทีมันเด้อบอกว่ากินเหล้าไม่ดีมันก็ยังอยากจะกินอยู่นั่นถ้ามันเด้อก็ต้องใช้พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดพอมันไม่คิดแล้วต่อไปมันก็จะไม่ทําถ้ายังปล่อยให้มันคิดอยู่มันก็จะทําได้ หมดแล้วแหละนี่ค่ะคำถามจากคุณจรเห็นท่านพระอาจารย์แสดงทำเป็นภาษาต่างชาติจึงอยากจะคิดเรียนภาษาเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆแต่มาคิดอีกทีว่าต่อให้เรียนรู้ทางโลกไปอีกมากแค่ไหนก็ยังหนีหนีทุกข์ไม่พ้นเลยทำให้ไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากขวนขวายหาความรู้อะไรใหม่ๆอมพอสุดท้ายก็ต้องทิ้งทุกอย่างอยู่ดี อย่างนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ครับไม่หรอกเป็นสำลักทิฏฐิต้องเห็นว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมครับซึเอาเวลาเรามาศึกษาธรรมกันดีกว่าอย่าไปศึกษาอะไรทางโลกเลยครูบาอาจารย์บางรูปนี่ท่านปศยังไม่จบเลยแต่ท่านก็ไม่สนใจถ้าไม่ไปไปเรียนต่อไปเรียนปริญญาตีโทเอกเหมือนพระสมัยนี้มาบวชแล้วก็ไปเรียนปริญญากันมาบวชแล้วเงี้มาบวชทําไม มาบวชมันก็ต้องเรียนเรียนศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเดี๋ยวนี้เล่นไปเอาดุษฎีบัรดกบัณฑิตอะไรกันมันไปหลงทางก็เปล่าเนี่ยดูครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุสิอง์นี้ท่านปสามจบแค่ปสามนั้นคำถามจากคุณขวัญตอนนี้หนูทำงานทางโลกรู้สึกว่าคนที่อยู่ได้ต้องทำเลว คือสีไม่คบเสียขาเจ้านายเอาตัวรอดโดยมีชอบถึงจะอยู่ได้หนูตั้งใจทำงานมาหากินเจอแบบนี้แล้วพอใจต้องเร็วเหมือนเขาถึงจะอยู่ด้วยกันได้ไหมคะไม่จริงหรอกอเพราะว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำเร็วความเร็วที่เราต้องทำความเร็วเพราะความโลภ อ, อยากได้เงินเยอะๆอยากได้เงินง่ายๆ อ, อยากได้เงินเร็วๆมันก็เลยต้องทาบาปกัน แต่ถ้าเราไม่โลภเราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เราไม่ต้องไปเลียใครหรอกไม่ต้องไปทำบาปเพราะว่าเงินค่ากินอาหารวันละกี่ตังค์กันวันละร้อยก็อยู่ได้แล้วทำงานขั้นตา่าวันละสามร้อยนี่ก็เหลือกินแล้วแต่เรามันโลภ ก, กันมันอยากจะไปซื้อไอกันซื้อรถเบนซ์กันซื้ออะไรต่างๆมันก็ต้องไปเลียเขา คำถามจากคุณศรีพรป่วยฟอกไปถ้าตัดความอยากหายป่วยคงไม่ได้อยากตายก็ไม่ได้จะทํายังไงไม่ให้อยากจะได้เป็นสุขครัท่านก็พุโทโธไปก่อนใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากไปก่อนต้องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปสลับกันไปนั่งดูลมหายใจบ้างก็ได้ขอให้อยากไปคิดถึงความเจ็บความแก่ความตายแล้วมันก็จะลืมความ ความเจ็บความแก่ความตายไปเพราะใจมันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ตายมันไปหลงที่ว่ามันเป็นร่างกายมันก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาพอหยุดให้มันไปคิดถึงร่างกายมันก็ลืมไปร่างกายจะแก่จะเต็มจะตายมันก็ไม่เดือดร้อนถ้ายัางใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปสวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมไป อะไรเหล่านี้ดึงใจไว้ไม่ให้มันไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะไม่ทุกข์กับมันค่ะคำถามจากคุณชวนวิทยาทานสามารถอุทิศให้ผู้ตายได้ไหมครับได้มันเวลาเราทำวิทยาทานเราก็เกิดความสุขเหมือนกับเราทำวัตถุทานเช่นอสอนเด็กใช่ไม้มธรรมดาเก็บเงินเข้าชั่วโมงละร้อยอย่างนี้อพอเราให้ก็ฟรีนี่ ก็เหมือนเราได้ทําบุญร้อยบาทแล้วเหมือนกับซื้อข้าวร้อยบาทใส่บาทแล้วมันก็ได้ความสุขเหมือนกันมันก็วุฒิได้คําถามจากคุณธนพร์วันมาค้าบูชาที่จะถึงนี้ในฐานะที่เราเป็นพุท ธ, ธบริษัทควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้บุญได้ตอบแทนพุทธศาสนามากที่สุดก็ศึกษาความเป็นมาของวันมาค้าบูชา ว่ามีความสําคัญอย่างไรแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทําให้เราได้ปฏิบัติบูชาจะทําให้เราได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติและจะทําให้เราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปคําถามจากคุณพิมพ์ คำภาวนาให้จิตมันอิ่มมันเต็มเวลาตายไปจากกายนี้จะจะได้ไม่หิวโหวยใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องคำถามจากคุณเสริมบารมีเราเป็นมนุษย์เมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีมีศีลทานภาวนาเกิดจิตที่เป็นบุญกุศลเราก็แผ่เมตตาให้เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งหลายแผ่บุญไปถึง ไปจนถึงแต่ละภพภูมิขนาดเดียวกันภพภูมิเราอุทิศบุญกุศลเช่นนี้และภพภูมิอื่นเขาจะมีการสร้างบุญและอุทิศให้กับมนุษย์อย่างเราบ้างไหมครับคือมันมันเข้าใจผิดเนี่ยมันคิดว่าเหมือนกับการกระจายเสียงอย่างนีน้เป็นสถานีวิทยุกระจายมันไปทั่วประเทศนียแต่ความจริงมันกระจายไม่ได้หรอกบุญกุศลที่เราทำนี่มัน อยู่ในใจของเราเราก็จะกระจายให้กับบุคคลที่เข้ามาสัมผัสกับเราได้เช่นเราเจอใครอย่างนี้เราก็แผ่เมตตาให้เขาได้ให้กุศลสอนธรรมะให้กับเขาได้แต่ไม่ใช่เหมือนกับสถานีวิทยุกระจายมันไปทั่วใครจะรับหรือไม่รับก็ไม่รู้อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดการเข้าใจที่ถูกต้องคือการแผ่ให้กับบุคคลที่เรา ได้มาพบปะกันอย่างนี้ตอนนี้กำลังแผ่บุญกุศลให้กับญาติโยมสอนญาติโยมให้รู้จักธรรมะให้รู้จักวิธีสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเผยแผ่บุญเผยแผ่กุศลกันไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คิดขอให้เทวดาชั้นพรมชั้นนูนชั้นนี้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเขาจะมาทใไ้เขามีความสุขของเขาอยู่แล้ว เขาเป็นพรมเขาเป็นอะไรเขาสูงกว่าเราต้องเยอะแยะ <Yeah. S 1> ผู้ที่จะมารับบุญได้มีบุตรพวกเดียวพวกขอทานพวกเปรตเนี่ยั้นเขาไม่มารับหรอกพวกที่ติดไปนรกก็เหมือนพวกที่ติดคุกติดตารางเขาไม่ปล่อยให้ออกมารับพวกที่เป็นเดชและชานเขาก็ไปหาของเขาเองได้เขาไปหากินของเขาเองได้ก็มีพวกเดียวที่หากินเองไม่ได้ก็คือพวกเปรตเนี่ย คนุ่นก็หากินเองได้หาบุญหากุศลเองได้แล้วบุญที่อุทิศไปก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานให้นิดเดียวให้มากก็ไม่ได้ขอทานมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนอย่างไร ม, มันไม่มีที่เก็บไม่มีบ้านนอนเนี้ยซื้อของมาให้มันเต็มไปวางไว้ที่ข้างหน้ามันจะขนไปไหนก็ให้มันได้แค่อาหารใส่การใส่ภาชนะให้เขากินไปวั น, ว, นวันหนึ่งเท่านั้นเอง ลักษณะของบุญที่เราอุทิศอุทิศได้เพียงเท่านั้นแหละคำถามจากคุณพนมพรถ้าเรารักษาสีลห้าอยู่แล้วเราทำงานบังเอิญเราข้ามดตายโดยไม่เจตนาสีลเราขาดไหมครับแล้วเราก็ยังรักษาสินได้อีกไหมครับในเวลาในวันต่อมาได้ถ้ามันขาดก็ต่อได้ถ้ถาถ้าทาโดยไม่ได้มีเจตนาก็ยังไม่ถือว่าขาดเนี่ย ต้องมีเจตนาถึงจะเรียกว่าขาดมีความตั้งใจแล้วก็มีการตายเกิดขึ้น <t Martin> ถึงจะเรียกว่าผิดศีลตั้งใจจะฆ่าเขาแล้วเขาไม่ตายก็ยังไม่ผิดยังไม่ขาดต้องมีความตั้งใจแล้แล้วทาให้เขาตายไปด้วย <t> ถึงจะทําให้คโควงมีเจตนาและมีการกระทามีการเสียหายหเกิดขึ้นมาตั้งใจแล้วมีการกระทาแต่ทํแล้วเขาไม่ตายก็ยังไม่ก็ยังไม่ไมา เป็นตั้งใจจะไปฆ่าเขานี่แต่ไปแทงถูกที่เท้าของเขาไม่ตายมันก็ยังไม่ยังไม่ขาด เ, เพราะยังไม่ได้ฆ่าคำถามจากคุณกุ้งร่วงพ้นความจนไปได้ต้องปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ทางโลกเรายังต้องวิ่งหารับอยู่เจ้าค่ะ การปฏิบัตินี้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อล่ว ง, วงพ้นความจนปฏิบัติเพื่อ ล, ว ง, ลวงพ้นความทุกข์ต้องจนถึงจะล่วงพ้นได้การมาปฏิบัตินี้คือการปฏิบัติเพื่อล่วงพ้นความรวยเพื่อมาอยู่แบบคนจนมาอยู่แบบขอทานจะได้ล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เข้าใจผิดคำ ถ, ถามจากคุณอารยา ทำบุญด้วยเงินสดได้ไหมคะแบบไม่ได้ใส่ซองค่ะหมายถึงยื่นให้กับมือเลยเหร อ, อคือถ้ า, าถ้าถวายกับพระนี่ต้องต้องวางไว้เป็นที่ที่พระเขาจัดให้วางไว้พระนี่จะรับเงินทองกับมือไม่ได้แต่มีตู้บริจาค ก, ก็ใส่เข้าไปได้ถ้าแล้วแต่ที่ที่เขาไปเขาจัดให้ถวายพระแบบไหนก็ทำตามที่เขาบอกก็แล้วกันบางทีอาจจะมี มีกล่องมีอะไรให้ใส่บางที่มีบาทให้ใส่ก็ใส่ไปตามที่เขาจัดให้แต่เวลาผ้าเป็นธบานี้อย่าใส่ไปในบาทดูว่าถ้ามีลูกศิษย์มาด้วยหรือเปล่ามีลูกศิษย์ก็บอกท่านว่าขอถวายงันนี้ให้กับท่านนะแต่ขอฝากไว้กับลูกศิษย์ท่านจะได้รับรู้ถ้าไปฝากกับลูกศิษย์โดยไม่ไม่บอกท่านบางทีท่านก็ไม่รู้ลูกศิษย์มันก็ไม่บอก ลูกศิษมันก็ฉลาดนะถ้าไม่ถามมันก็ไม่ตอบอ่ะเพราะฉนั้นถ้าอยากจะถวายท่านให้ท่านใช้ก็ต้องบอกท่านว่าขอถวายเงินแต่ต้องฝากไว้กับลูกศิษย์เพราะว่าพระเก็บเงินไว้เองไม่ได้ต้องฝากไว้กับลูกศิษย์แล้วให้ลูกศิษย์เวลาต้องการของอะไรก็ให้ลูกศิษย์ไปจัดซื้อให้คําถามจากคุณจุมพ์พรหมเทวดานรกสวรรค์ผีมีจริงใช่ไหมครับ ไม่ไมีจริงเนี่ยก็จิตของพวกเราที่ตายไปเนี่ยที่จะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมหรือไปนรกหรือไปเป็นผีหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคือเมื่อตครู่นี้หลวงพ่อบอกว่าเราไม่สามารถแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเหมือนกับกระจายเสียงได้ค่ะ ก็ให้ตอนที่เจอกันไงเข้าหมายความว่าอย่างนั้นแล้วอยู่กับพ่อแม่ก็แผลดิอย่าไปด่าพ่อด่าแม่อย่าไปว่าพ่อว่าแม่หาอาหารให้พ่อกินอาบน้ําให้พ่อให้แม่เนี่ยกำลังแผลรู้ป่าเราไปเข้าใจผิดกันเองว่าแผลแบบกรยายเสียงแผลด้วยการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจใจต้องคิดก่อนคิดว่าจวนนี้จะช่วยพ่อช่วยแม่อาบน้ําให้พ่อให้แม่ก็ไปอาบน้ําให้พ่อให้แม่ก็แผลแล้ว แผ่เมตตาแล้วไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วคิดถึงพ่อคุณแม่ขอให้พ่อแม่มีความสุขไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยไม่เถึงอ่ะมันเหมือนแผ่กระจายแต่เขาไม่ได้เปิดวิธีรับเิ่ ง, งเขาจะไปได้รับอะไรใช่ไหมเราต้องไปแผ่ให้เขารับได้สิเข้าใจผิดกันชอบแผ่เมตตาเวลานั่งอยู่คนเดียวเวลาเจอกันก็จะยากเขี้ยวใสกันตีกันเนาเข้าใจไหมอ่ามมอ่า มีเคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับธรบรแต่อาจจะไม่ใช่พระเป็นเป็นคนแต่งเขาบอกว่าเราทาบุญกับพระอริยสงฆ์จะได้บุญมากกว่าทำบุญกับคนธรรมดาจริงหรอ่ ม, อมันมีบุญสองส่วนเวลาเราทำบุญเนี่ยไม่ได้มีบุญส่วนเดียวบุญส่วนแรกนี่คือบุญที่เราได้จากความรู้สึกในใจเราเราทำบุญด้วยการเสียสละเงินเนี่ย เราจะมีความสุขใจอันนี้เราทำกับใครก็เหมือนกันทำกับพ่อกับแม่ทำกับพระทำกับมมาเราก็ได้ความสุขใจแบบเดียวกันใช่ไหมเพาเราเสียสละเงินทองส่วนนี้ไปให้กับคนอื่นเขาอันนี้เหมือนกันทำกับใครเหมือนกันหมดแต่มีบุญอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทำบุญด้วยคือบุญถ้าไปทำกับบพระอย่างมาที่นี่เราก็จะได้ฟังธรรมด้วย การฟังธรรมก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งถ้าไปทำไปที่อื่นก็ไม่ได้ฟังธรรมก็จะไม่ได้บุญเนี่ยบุญส่วนนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกับไปเติมน้ำมันรถเนี่ยบางปั้มก็มีของแจกบางปั้มไม่มีของแจกให้ปิดเสียงหน่อยได้ไหมมันใจยังมันมีบุญสองส่วนถ้าอยากจะได้ของแถมก็ต้องไป เติมน้ํามันที่ปั๊มก็มีของแถมถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ต้องไปทํากับพระที่เขาแสดงธรรมถ้าไปใส่บาตรเฉยๆท่านก็ไม่มีเวลาจะแสดงธรรมก็ไม่ได้บุญส่วนนั้นได้เพียงแต่ได้การเสียสละได้การให้ทานนี mm ่ hmm. เขาถึงบอกว่าถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ต้องเลือกพระถ้าอยากจะได้บุญสูงสวยก็ต้องทํากับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนอคนที่จบปริญญาเอก ล, ลองลงมาผ้าอาหารก็เหมือนพวกปิญญาโทเองลงมาก็เป็นพวกปัญญาตรีเนี่ยไปทำกับคนที่มีความรู้ที่ที่ที่สูงขึ้นมันก็จะได้ความรู้มากขึ้นถ้าเป็นคนที่มีความรู้น้อยมันก็จะได้ความรู้น้อยต่างกันตรงนี้เข้าใจนะนี่ถามมาเพิ่มค่ะจากคุณโลกทั้งใบถามว่า ถ้าพ่อตายแล้วล่ะคะแม่แผดได้ไหมคะก็ต้องทําบุญไงอุทิศได้ไม่ต้องไปแผดไปแผกก็ต้องเวลาเข้ามาหาเราเลยไม่ใช่เวลามาก็วิ่งหนีหรือว่าขอให้เขาไป <c oughs> มาก็ต้องไปกอดเขาสิ <c oughs> เวลาเข้ามาเวลาพ่อตายแม่ตายแล้วเข้ามาหาเราเนี้ยเราก็ต้องไปกอดไปกราบเขาสิแต่เราไม่รู้ว่าเขามาหรือเปล่า เราส่วนใหญ่เราไม่สามารถติดต่อเข้าได้แล้วหลังจากที่เขาตายไปนอกจากเรามีพลังจิตเท่านั้นนี่ยบางทีเราจะติดต่อกันได้คาถามจากคุณแสนสุขบรรพบรุษที่เสียไปแล้วแต่เรานำชื่อท่านมาเขียนหน้าซองได้ไหมคะเขียนไม่เขียนไม่สำคัญนะอยู่ที่ใจเราเราต้อง อ, อุทิศที่ใจเราพอเราทาบุญเสร็จแล้วแล้วก็ ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไปว่าขอทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่คนไครก็ได้ที่เราอยากจะอุทิศก็ต้องอุทิศในใจถ้าเราไม่อุทิศมันก็ไปไม่ถึงเขาแต่ถ้าเขียนเฉยๆไม่รู้ถึงเขาเปล่าไม่รู้นะอาจจะถึงก็ได้เพราะการเขียนก็เป็นการบอกเจตนาของเราแล้วว่าต้องการอุทิศให้กับเขาไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามใจโยมคิดบ่อยๆว่าไม่อยากเกิดอีก เพราะเบื่อการเวียนไหยตายเกิดพยายามปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆจะถึงได้ในที่สุดใช่ไหมคะและถ้าสุดท้ายก่อนจะตายถ้ากิเลสยังไม่หมดถึงที่สุดมีวิธีทําใจอย่างไรแบบไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วคะก็ต้องบรรลุตอนตายต้องตัดกิเลสให้หมดฆ่ากิเลสให้หมดตอนตายคาถามจากคุณกิติยา ตอนนี้พวกเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าอะไรหรอเจ้าคะไม่ร <verstehen> ู้เหมือนกันอย่าไ่สนใจไม่ต้องไปเรียกว่าหรอกหมดแล้วเลยก็จะว่ายุคเสื่อมก็ได้เพราะตอนนี้เราเริ่มเสื่อมลงไปเรียกยทางด้านศีลธรรมคนที่สนใจเรื่องศีลธรรมเรื่องทาบุญทำทานรักษาศีลภาวนาเรื่องการศึกษาฟังเทศน์ัธรรมนี่มันจะน้อยลงไป เพราะว่ามันความจเจริญทางโลกมันมีมากขึ้นก็เลยถูกความจเจริญทางโลกดึงไปอย่างนี้เด็กจะไม่ค่อยเข้าวัดไม่รู้เรื่องอะไรละไปแต่โรงเรียนอย่างนี้เจอพระสององค์เจ้าก็ไม่รู้จักสัมมาคารวะบางทีเดินมานี่เดินชนเลยละถ้าไม่ดลมันน่ะ ม, มันไม่ได้ถูกเสี่ยมสอนมันก็เลยมีอคติทางใจอาจจะคิดว่าพระนี่เป็นขอทาน ขี้เกียจไม่เหมือนมันมันไปเรี ย, รยนไปขยันเรียนก็ได้มันก็ล้วไม่เคารพไม่ไม่เคารพพระมันกลับดูถูกดูหมิ่นพระขึ้นมาก็ได้เพราะไม่มีใครสั่งใครสอนไม่ได้เข้าวัดกันจิตใจมันจะห่างไปเรื่อยๆเดิมทีสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยุคทองของศาสนาสมัยนั้นคนที่มีสนใจศึกษาปฏิบัติทำบุญทำทานรักษาศีล บรรุมรคผลนีิพานกันเป็นจำนวนมากเลยแล้วพอพระเจ้ า, พพ ต, าตายไปมันก็เริ่มลดน้อยลงไปน้อยลงไปจำนวนผู้ที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติก็น้อยลงไปน้อยลงไปเดี๋ยวนี้เหมือนกับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเขาวัวกับขนวัวคนที่สนใจนี่เหมือนพวกเขาวัววัวคนที่ไม่สนใจนี่เหมือนขนวัววัวตัวหนึ่งมันมีเขาเทียน แล้วมีขอนเกี่กีเส้นน่ะนั่นแหละยุคนี้คือยกของเขาวัวขอนวัวหมดแล้วเหร อ, อยังไม่มีมาไมมีมามีใครอยากจะถามมั้ย <c oughs> ไม่มีวันนี้จะได้อ่ามีไหมไม่มีจะได้ปิดประชุมน ะ, <c oughs> ะเราก็พูดมามากแล้วเอาแค่ น, นี้ก่อนนะ